เวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยค่ะม่ใช่เดินเดินจงกรมหรือว่านั่นสมาสิเนี่มันเป็นไปได้ทั้งสมาธาทั้งวิปัสนาปปุนเดนไปอยูใ่ในช่วงเวลามันจะพลิกไปพลิกมาส่วนใหญ่จะอยู่กับสมถะแล้วก็พลิกเป็นวิปัสนาแว บ, บหนึ่งแวบบเดียวแล้วก็กลับไปสมถธใหม่หรือไม่ก็บางทีก็เผลอไปเลยไม่ได้ทั้งวิปัสนาและได้ไม่ได้ทั้งสมถะ แล้วทำไมมันถึงมาจึงง่วงอยู่เรื่อยเลยนะคตอนง่วงนั่นจิตมันลอยออกไปนะแล้วไม่รู้จิตมันลอยไปหาที่นอนแล้วไม่รู้ <laughs> ให้รู้ทันตอนถ้ามีที่อยู่ของมันนะหรอะให้มีที่อยู่กายเป็นที่อยู่ของจิตเอาจิตมาอยู่กับกายไว้ก่อนนะพอภาวนาไปภาวนาไปทีแรกก็กะให้มันอยู่กับกายนี่แหละแล้วพอมันมันเคลื่อนคือมันชักล้า ใจมันลอยถ้าเห็นตรงนี้ได้นะจิตตื่นเลยไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องง่วงแล้วเห็นมันลอยไปนเะฮ้อจิตลอยแล้วคาไทยถูกเลยใจลอยตอนเผลอมันลอยไปมันเคลื่อนไปแต่ถ้าตอนลอยไปนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นตอนง่วงตอนซึมก็โอเคใช้ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ไม่เผลอไปตามกิเลสถูกกิเลสครอบงํามันมีคําว่าครอบงำเนี่ยนะนะจิต ถูกกิเลสครอบงาแล้วก็เลยต้องทําตามกิเลสสั่งการตรงนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติถูกมันครอบแล้วก็สั่งให้ทําอะไรแต่ถ้ามีกิเลสและรู้ทันอำนาจบังคับของกิเลสก็หลุดไปพร้อมกับสติที่เกิดขึ้นไอ้ตัวบางคนก็แพ้ความง่วง บางคนแพ้ความหิวบางคนมโหง่วงบางคนมาหมมาหิ ว, หว <laughs>